มีอะไรที่เขาทั้งสองจะต้องวิตกวิจารณ์อีกหลักในเมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันหนักหน่วงขีดสุดเชจนไม่มีอะไรจะมากไปกว่านั้นเลือกได้บริเวณเนินโล่งแคบๆตอนหนึ่งห่างจากชายหินใต้ต้นจิกออกมาเล็กน้อยเป็นพื้นที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้และหญ้าบอนเล็กๆที่ขึ้นอยู่ทั่วไปจนไม่สามารถจะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นเบื้องล่างเป็นหินกรวดหรือดิน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 อนาคตมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไหนจะห่วงพวงถึงพวกพ้องหมู่คณะที่พรับพรากไหนจะภัยอันตรายลี้ลับจากสิ่งที่ทำนายไม่ถูกสึ่งประดังราวีเข้ามามันทาให้มืดตื่นไปหมดสุดที่จะวางแผนกำหนดการยังไงได้สังเกตเห็นอะไรไหมตอนหนึ่งมาเรียเอ่ยขึ้นอย่างซึมเศร้าทอดอะไรย่าผีกองกอยสัตว์ประหลาดนั่น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 ที่เกิดขึ้นอย่างวูบวาบแล้วก็เงียบงันกันไปอีกต่อมาช ย, ยันก็ถามว่านี่คุณไม่คิดถึงเจ้าสังปลาคนของคุณมากงเหรอเมฆคำถามชนิดนั้นเรียกรอยยิ้มขึ้นที่ริมฝีปากของมาเรียเธอเหลือบมองหน้าเขาอ๋อเจ้าสังปลาขี้ลิงของฉันน่ะเหรอถามทาไมมันเป็นคนรับใช้หรือท่าที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคุณนะ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 มองผาดผ่านในขณะ น, นี้ว่ามันเป็นมูลสันดินที่ปกคลุมไปด้วยพุ่งไม้เล็กซึ่งห่างจากเบื้องหลังออกไปเพียงวาเดียวกำลังเคลื่อนที่ลั่นคึกคึคผ่านไปราวกับมีใครมาแกล้งชักฉากจูงมือกันวิ่งสมสารไปเบื้องหน้าอย่างไม่คิดชีวิตเขาทั้งสองในขณะนี้หมดสติสิ้นแล้วทั้งมวลและไม่รู้ด้วยว่าตนเองกาลังทาอะไรหรือรเผชิญกับอะไรอยู่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 มันเริ่มโอนเอ็นแวงไควไปมาแล้วก็หมุนไปรอบๆพรอ้รอมกับลิ้นที่แลกตวัดปลปลาเป็นจังหวะทีเร็วอยู่เช่นนั้นทรงกลมมหึคือมาบริเวณคอบบบนี้ก็แผ่แบนวางออกไปกวางออกไปเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนม่านดำขืนใหญ่ที่เอามายืดขยายขวางกั้นตะวันไว้ส่วนด้านล่างเล่า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 ชยันหันมาทางมิตรในยามยากหล่อนยังคงนอนแน่นิ่งกายอ่อนปวกเปียกอยู่กลางดินข้างๆ้ า, ง า, ง า, ง า, งายเขาเขารีบแก้ไขเขย่าปลุกอย่างรีบร้อนเป็นคู่ใหญ่มารีฮอฟมั่นจึงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนคนที่เพิ่งจะตื่นจากฝันร้ายหน้าของแมมสาวซีดราวกับศพทันทีที่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นหล่อนก็พวาสดุ้ง มีอาการจะลุกขึ้นออกแล่นทะลาต่อไปอย่างคนที่ขวัญเสียสุดขีดชัยยันตะครุบกายไว้มัน่นเขย่าเรียกชื่อทิทีอยู่เป็นเวลานานทุลักทุเลกันอีกพักใหญ่กว่าจะเอาหล่อนไว้หยู่โดยไม่ให้หล่อนวิ่งปาแตกไปอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้ที่เรายังไม่ตายหรอกเลยชัยยันมาเรียสำลักออกมาเหมือนคนกำลังจะขาดใจ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 เพื่อหาที่เหยียบยันตัวให้มั่นคงขึ้นแล้วค่อยๆรั้งตัวขึ้นไปดินรงบริเวณที่หลอนเอามือเหนียวร่วงครูเหลือไวแต่งแง่หินที่โผล่ออกมาพอหลอนโหนตัวขึ้นไปนั่งได้ถนัดก็เอามูตะกุยปัดดินร่วนๆที่ปกคลุมอยู่ออกด้วยอาการชงหนเล็กน้อยอีกใจเดียวก็ร้องแหลมออกมาว่าชยยันเร็วมาดูอะไรนี่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 ที่ปกคลุมไปทุกกิ่งไม้ใบพลึกหลังจากประทังชีพกันด้วยอาหารเท่าที่จะหาได้ต่างก็เอนหลังลงกับพื้นริมกองไฟพูดกันคาสองคาแม่มสาวก็นิ่งเงียบไปชายยันยังนอนลืมตาค้างมองดูใบไม้ที่เปรียบเหมือนหลังคาทึบปกคลุมดำมืดอยู่เบื้องบนปล่อยความคิดให้เลื่อนลอยไปตามลาพังเข้าใจว่าผู้นอนเคียงข้างอยู่ในขณะนี้คงจะหลับไปแล้ว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 ขณะนั้นแดดสีเหลืองกล้าสา จ, จับสว่างสวัยอยู่บนยอดไม้สูงดงทึบทมินที่แลเห็นเป็นเพียงเงาคลุมเครือน่ากลัวอยู่เมื่อราตรีที่ผ่านมาก็พอจะแลเห็นได้ชัดเจนในระยะที่ไม่ห่างออกไปนะักเวลามันสายถึงสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วจำได้ว่าราตรีวิกฤตที่ผ่านมาระพินไพรวันซพหลับไปก่อนหลอนซะด้วยซ้ำแต่บัดนี้เขากลับเป็นฝ่ายปลุกหลอน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 การได้พักผ่อนอย่างพอสมควรทำให้สุดชื่นกระปรี้กระเป่าขึ้นก็ผมเห็นว่าคุณหญิงกรากรามอ่อนเพียมากเนะยังไม่อยากปลุกแล้วเมื่อคืนนี่ผมก็ได้เปรียบคือหลักไปก่อนหน้าคุณหญิงแล้วอย่างหนึง่งเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องรีบร้อนนี่ครับคุณสำรวจป่าบริเวณนี้หรือยังล่ะหญิงสาวถามโดยเร็วความทรงจาของเหตุร้ายเมื่อคือนที่ผ่านมาผุดกระจ่างชัด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 พอสดตากันก็ยื่นส่งให้ของกำนันในยามยากที่ให้กันด้วยหัวใจชนิดนั้นเรียกรอยยิ้มสดชื่นขึ้นบนใบหน้าของราชสกุลสาวหล่อนไม่เอื้อมือไปรับและไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่หันตะแคงใบหน้าซีกหนึ่งให้แลวพินลังเลอยู่อึดใจก็บริจงถทัดดอกนิ้วดอกนั้นให้ที่เรือนผมเหนือซอกหู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 ที่โผล่ล้ำออกปากแกว่งไว้อยู่เบาๆเหมือนมีอะไรมากระทบไว้เขาสุดกายลงนั่งในทันทีนั้นดาริงย่อกายลงด้วยแต่ประทับปืนขึ้นไหลจองหมายไปที่บริเวณรากไม้กลุมใหญ่ที่ชอนดินฝั่งลำห้วยออกมาจอมพรานกดปากกระบอกปืนของหล่อนไว้จะจิงนะครับจนกว่าจะรู้แน่ว่าเป้าหมายคืออะไรเขากระสิบ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 ขึ้นเนินอีกครั้งถ้าหยุดเราก็จะตามเขาไม่ทันแงาซายจะต้องรับตาเราไปไม่ต้องห่งในข้อนั้นหรอกครับคุณหญิงผมรับรองว่าถึงยังไงแงาซายก็จะไม่มีวันรับตาเราไปอย่างเด็ดขาดกลาบใดก็ตามที่มันประสงค์จะล่อให้เราตามอีกอย่างหนึง่ลงลรได้เห็นเป็นแบบนี้แล้วต่อให้มันตะเลิดหนีไปผมก็เชื่อว่าพอจะแกะรอยได้ครับ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 มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ขวางททางเข้าให้แล้วและไม่ได้สนใจกันแพร่ทายที่หลบแวบหายไปอีกแต่พากันแพดเสียงร้องชูงวงวิ่งทูลเขามายังคนทั้งสองภาพที่ดารินวราวิริ์ไม่เคยเห็นและไม่คิดว่าจะเห็นก็พลันปรากฏขึ้นกับพร้องจากสุอันเตินตะลึงของหลอนในวินาทีขับขันขีดสุดนั้นหลอนเห็นดัฐินวิ่งปลาตกไปเบื้องหน้าห้าหเก้า กระทึกเท้าลงกระแผ่นดินแล้วแผรเสียงตวาดก้องในความรู้สึกของหลอนเสียงของเขามันคงดังกว่าขำมีไล่ควายหลายเท่านักเจ้าจากโขลงหยุดชะงักอยู่กับที่ในทันใดนั้นพลฟ า, าให้ลูกโขลงหยุดตามกันไปหมดทุกตัวกลางหูผึง่ ง, ง, งชู ง, งวงสูงร่อนราอยู่เช่นนั้นโดยเฉพาะเจ้าตัวยักษ์ใหญ่หัวหน้าโขลงใายหัวอยู่ไปมา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 ลอตะโกนเรียกออกไปทุกทิศรพินยืนสุดบุรี่มองดูหล่อนด้วยสายตาเยาะเยาะอยู่ริมโขดหินแล้วก็พยักหน้าเมื่อจบตาเหมือนจะเชิญให้หล่อนตะโกนเรียกเจ้าคนใช้ชาวดงของหล่อนต่อไปดารินไม่ละความพยายามหล่อนตะโกนอีกตะโกนจนเสียงแหบแห้งครั้นแล้วบัตรนั้นเองเหมือนฝันมีเสียงกูโวกแววตอบมา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 ทั้งสองหันขวับมองตากันอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวบุญคำไม่มีปัญหาเสียงที่แหกปาตกนเย้วิวอยู่บนยอดไม้สูงโดยยังมองไม่เห็นในขณะ น, นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตาพรานเท่าหนังเหนียวบุญคำมือขวาของเขานั่นเองระพินไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิน้นผุดลุกขึ้นออกวิ่งลัดเลาะบุก ป, ปา่าเบื้องหน้าตรงเข้าไปโดยเร็ว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 โดยไม่สามารถจะตายกลับลงมาได้แก่คงจะตะลีตลานหนีคดชัยขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่โดยอาศัยโหนไตเถาวันเหล่านั้นขึ้นไปแล้วไอ้ช้างโขงเจ้ากรรมก็ช่วยกันดึงสะพานหรือบันไดของแกออกเสียหมดสิน้นก่อนที่จะพากันยกขยงพละไป่อ้ให้แกมีสภาพเป็นลิงหาทางลงไม่ได้อยู่บนนั้น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 โธ่คุณเมื่อแต่ลอกันเล่นอยู่นั่นแหละบุญคันท่าทางจะแยะเ่เป็นทีแล้วนะนี่รีบมาทางช่วยแกลงมาเร็วๆเถอะใจเย็นไม่เข้าเรื่องเลยคุณนี่เดี๋ยวนีครับคุณหญิงต้องค่อยๆพิจรารณาดูก่อนว่าจะเอาแกลงมาได้ยังไงผมเองก็ยังไม่มีปัญญาจะปีนลงไปรับแกได้โดยมือเปล่า เ, าเหมือนกันไม่ต้องร้อนใจหรอกใจเย็นได้แล้วยังงี้เราก็รู้แน่นอนแล้วว่าคนของเรารอดตายแล้วหนึ่งคนไม่ต้องหวงหรอกคุณ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 ในข้อที่ว่าเง่ทายเป็นคนนำทอยมาทิ้งไว้ที่โคนต้นเอะหมายความว่ายังไงกันนี่ดารินร้องออกมาขณะที่รพินก้มลงหยิบลูกทอยขึ้นมาพิจารณาอย่างงงๆทอยนี่น่ะเหรอของแง่ทายเขางแงนขึ้นไปร้องถามอย่างแปลกใจถ้าไม่ใช่ไอ้แง่ทรายก็ไอ้ผีปานั่นแหละน่อยแต่บุญคาเห็นมันแบกมาโยนทิ้งไว้ไม่ผู้จอะไรทั้งนั้นเลย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 จะเรียนร่ำทำอะไรไม่ลำบากทุกสิ่งทุกอย่างนะขอเพียงให้เราสนใจเรียนจริงเท่านั้นมันก็จะแต่ ฉ, นฉันสำเร็จผลได้ไงแล้วยังไงแต่มันยอดยากอยู่อย่างเดียวตาต่อตาพบกันอีกฝ่ายเพื่อจ ะ, ฉะเฉลียวคิดรู้ทันกระซิบต่อข้อความมาว่าเกี่ยวผู้หญิงงั้นลหละระพินไม่ตอบ ทำหน้าตาเฉยจับการวางไรเฟิลปลดสัมภาระอันเกลา ก, กะออกจากหลังและเอาพวงทอยขึ้นสะพายไหล่เสียงลอยๆก็กระซิบมาอีกว่าก็ไม่ยากนะถ้ารู้ใจและเข้าใจกับยกเว้นแต่จะเกี้ยวดากไปไม่เลือกหน้าผลกรรมก็อาจทําให้ตัวเองอกหักเอาบ้างอย่างที่ใครเคยโดนข้ากับตัวเองมาแล้วกำลังจะจบมือขึ้นบูชาพญาไม้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 แต่ละตัวเท่าภูเขางาลากดินทั้งนั้นบุญคำกำลังหิวหน้ามือตามัวใกล้จะหมดแรงเต็มทีไม่ทันระวังตัวมาก่อนกว่าจะรู้ตัวก็เดินเข้าไปชนขาหลังของไอ้ตัวหนึ่งเท่านั้นและนายหญิงโลกมันก็ถล่มทลายไปหมดมันปั่นป่วนจ้าละวันขึ้นทั้งโขงบุญคำวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไม่ได้คิดที่จะสู้มันอีกแล้วลย่ามหลังปืนอะไรต่ออะไร จนกระทั่งผ้าพรตกเรียรากอยู่ลำห้วยโน่นหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวอยู่ได้ฉบุญนะมาพบต้นกลางต้นนี้มีเถาวันห้อยระยะลงมาบุญคาก็ไต่หนีขึ้นไปโอ้พวกมันดุเหลือร้ายไม่ยอมไปไหนมาเฝ้าล้อมอารวาดเอางาแทงอยู่โคนต้นแล้วก็ช่วยกันชักเถาวันขาดออกหมดมันเฝ้าบุญคาอยู่สองสามชั่วโมงจนกระทั่งมืดสนิทเกือบดึก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 เหมือนปาดิหารนี่แหละดารินหันไปมองศพตารพินในขณะที่บุญคำเว้นระยะขยอกเนื้อย่างแทบไม่ยอมหายใจแกกินเหมือนไม่พบกับอาหารมานา น, นเล่าต่อไปสิพรามใหญ่เตือนมาเพราะไอ้งาทรายหายไปแล้วบุญคำก็แขวนตองแตงเปลิงอยู่บนนั้นน่ะนึกว่าอีทีนี่นะ่ะตายแน่แต่สักพักใหญ่ที่แล้วมานี่บุญคาก็ได้ยินเสียงปืน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 และนึกขอบคุณต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเราได้ยินเสียงของบุญคําก็ตามเสียงมานี่แหละถึงได้พบตัวเขา้าบุญคําก็ได้ยินนายครั้งแรกเสียงตุม้มมันเป็นเสียงไรเฟิลพอโ h ไปก็มีเสียงกูตอบอีทีนี่ก็รู้ตัวละว่ายังไม่ถึงที่ตายซะละมัง้งบุญคําก็เร่งกูเรียกใหญ่ได้ยินเสียงกูต่อไกลเข้ามาทุกที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 เพราะขณะนั้นมันสับสนโอลมานไปหมดในถ้ำกลางความมืดได้ยินแต่เสียงร้องเออะโวยวายอย่างตื่นตระหนกของพวกพองและเสียงแผดร้องของช้างขลุ่มนั้นดังสะท้านไปหมดทั้งครูหาถ้าปานแผ่นดินจะถลม่มทลายแกหาบของอยู่คู่กกระยินแล้วก็ได้ทิ้งหาบลงจากไหล่เมื่อได้ยินเสียงเชิดาตะโก้ให้ทุกคนเอาตัวรอดอย่างอิสระ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 ไม่ได้ผิดอะไรกับตนเองเลยแล้วเขาก็อธิบายให้แกรู้บ้างว่าทั้งเขาและนายหญิงรอดชีวิตมาได้อย่างไรรวมทั้งได้เผชิญกับอะไรบ้างจนกระทั่งท้ายสุดแง่ทรายได้นำทางมาจนพบและช่วยเหลือแกไว้ได้ทันเพราะเอ่ยถึงแง่ทรายบุญคาก็มีสีหน้าเดือดแค้นโทโสขึ้นมาสบดดาลันไอชีพหายนะผมไม่เข้าใจาเลยนะนาย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 ไอ้โคลงนั้นแหละที่มันขับบุญคำอะเรารอดตายพบกันแล้วก็อย่าไปคิดอาฆาตพยาบาทอะไรมันอยู่อีกเลยยอมพรานพูดตบที่ไหลพรานเท่าคู่ใจเบาๆคิดดูอีกทีก็เหมือนมันจะช่วยบุญคำได้มาพบกับฉันนะถ้าไม่หนีช้างขึ้นไปติดอยู่บนต้นกลางนี่ป่านนี้ไม่รู้เดินหลงตเลิดไปไหนแล้วแล้วเราก็คงไม่ได้พบกันเห็นหน้านายกับ น, นายหญิง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 เ ล, เลือดของผู้หญิงนะนายหญิงเลือดเลือดของผู้หญิงเหรดารินทวนคำอย่างตื่นงงไม่รู้เรื่องอยู่เช่นนั้นหันไปมองหน้าพรานใหญ่ระพินทนต่อสายตาคำถาม น, นั้นไม่ได้ก็เลยจำใจต้องอธิบายว่าบุญคำก็หมายถึงเบนส์เลือดประจำเดือนของผู้หญิงไงหม่อมราชวงศ์สาวลืมตาโตอาการของหล่อนยังไม่สแสดงว่าเข้าใจอะไรขึ้นมาเลย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 กันไพลหลังทุกอย่างแต่ในขณะที่แกมากกะซิบบอกผมคราวนั้นน่ะผมไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังข้อสันนิษฐานของแกได้บุญคําเรียนมาทางสยเวทอาคมและวหม่นมืดตัวเองนอกจากจะเป็นพรานแล้วยังเป็นหมอผีด้วยจะบอกว่ามีสิ่งอาถรรพ์จะต้องแก้กันด้วยความอาถรรพ์แบบน้ํำยอ่อเอาน้ําบ่งแกว่าถ้าเอาผ้าซับประจำเดือนของผู้หญิงผูกติดข้ากซากเสือหิน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 ระยกแค่นี้บุญคาไล่ท่านเสียงบุญคากระซิบมาอีกระพินร่างแขนไว้อยาไม่มีประโยชน์หัวได้กัะเกงหลุดบุญคาก็ไม่มีวันจะถึงตัวมันได้บอกให้เฉยๆไว้ก่อนไงดยการของมันสิว่ามันจะเอาอยัางไงแงซายเรากาลังต้องการตัวเธอนะกลับก็ามาหาเราเธอแงซ า, าย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 ให้ตามไปมันเรียกเรามันโบกมือให้เราตามไปอ่ะนายบุญคำร้องก็ต้องตามกันให้สุดแผ่นดินละไปดูสิมันจะนำเราไปถึงไหนคราวนี้แปลกมากโผลออกมาโบกมือเรียกเลยจอมพลานว่าทั้งสามเคลื่อนออกจากที่สาวเท้าติดตามเงยทรายไปในทันทีนั้นลระพินลาไปเบื้องหน้า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 รอยของมันไต่ลงไปในห้วก้นเหวนั่นครับห่างจากขอบฝั่งหินปนกรวดที่ทั้งสามยืนออกไปเล็กน้อยมีรอยหย่อนตัวไต่ลงไปยังหุบน้ำไหลเบื้องล่างรอยพยุงตัวเหนี่ยวกิ่งไม้รอยของเท้าที่เยียบยันถลายลื่นเป็นทางไว้เห็นถนัดบางกิ่งหักยังมียางไหลซึมอยู่มันเป็นรอยใหม่ชนิดที่ผ่านหน้าไปเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้เอง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 ลึกไม่ต่ำกว่าสิบห้าฟุตชนิดที่ยืนเต็มส่วนสับ์แล้วยืน่นทรงปลายลำกล้องไรเฟิลขึ้นมาระพินผู้อยู่ขอบตะลิงก็ยังเอื้อมลงมาจับไม่ถึงใหม่แล้วเกนลนนายเสียงกระรองแหบสั่นขึ้นมาจากก้นห้วยประหลดัดสาบานว่าทาไม่เมื่อวานก็เมื่อคืนนี่เองดารินหันมากระซิบถามจอมพรานระพินมีสีหน้าปั้นยากที่สุดมองสบตาหลอนแวบหนึง่ง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 ที่คุณหญิงพบนั่นก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปดารินรีตาลงมองดูบริเวณขี้เท้าของกองไฟและรอยนอนของบุคคลทั้งสองแล้วยิ้มออกมาทางน้ำตาเป็นนั้นว่าเรารู้แน่แล้วสินะว่าเมกะชัยยันยังมีชีวิตอยู่และจากที่นี่ไปเมื่อตอนเช้านี่เองคุณดูรอยจากกองไฟคุณรู้ว่าเป็นรอยที่เก่อไว้เมื่อคืนส่วนฉันดูจากผ้าซับประจาเดือน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 เขานำเราไปพบกับบุญคำต่อมาก็นำเรามาพบกับร่องรอยของชายยันและเมยแล้วเดี๋ยวนี้เขาหายไปไหนละ่ะหลอนมองตาพรานใหญ่เปรยขึ้นลอยเอยย่าหู่เลยครับคุณหญิงแงซายไม่ได้ห่อหรือดำดินไปอย่างที่บุญคำว่าหรอกขอให้ทราบไว้อย่างเดียวเท่านั้นเราจะเห็นหรือพบอะไรจากมันได้ก็โดยเจตนาของมันที่ต้องการให้เราเห็นหรือพบเท่านั้น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 ในข้อที่วัดถึงยังไงก็ตามพฤติกรรมของแง่ทรายเป็นมิตรกับเราผมยังไม่เชื่อหรือไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นจนกว่าแง่ทรายจะกลับคืนมามอบตัวพร้อมทั้งนำแผนที่มาให้ด้วยแต่ในชั้นนี้ก็ยอมรับละครับว่าการที่เราได้พบบุญคำและมาพบร่องรอยของพรรคพวกอีกสองคนแง่ทรายเป็นคนนำมาซึ่งนั่นก็ดูจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีแล้วเขาก็หัวเราะออกมาเบา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 ในละแวกนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้ามันมีอยู่จริงตามที่แงาซายบอกและเราเข้าถึงก็แปลว่าเราเข้าถึงเป้าหมายที่เจ้าผีกองกอยปรารถนาแล้วนะครับดารินแหงมองแสงสว่างบนทองฟ้าที่เห็นบางส่วนบ่ายลงเต็มทีแล้วนี่เราจะมีเวลาติดตามสองคนนั่นอีกสักเท่าไหร่นะคาที่ไหนก็หยุดพักที่นั่นเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ล้ครับคุณหญิง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 เห็นจะยากครับผมเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าตํำรับในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยสอนไว้ซะด้วยสิดารินหัวรอก ข, ขันขันขึ้นเป็นครั้งแรกและไม่กล่าวอะไรอีกพักใหญ่ก็พ้นบริเวณป่าเผาวัลเข้าสู่ดงทึบอีกครั้งรอยของทั้งสองคนรุดหน้ากันไปอย่างบุกบั่นและทรหดกีดสุดบางขณะก็บุกเข้าพงรกบางขณะก็อาศัยไปตามทางด่านเล็กๆ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 อ๊ลมอะไรมันดังพิลึกอยู่หน้านหนจอมผานเงี่ยวหู ก, ก่อนแล้วเหมือนกันหมุนไปรอบๆ อ, อย่างรวดเร็วแล้วตบลูกเลื่อนขึ้นลำจุดส5 8หปในมือเสียงดังสนัน่นหันไปทางดารินผู้ยืนหน้าตื่นอยู่เอามือดันหลังโดยแรงวิ่งวิ่งเร็วที่สุดปัดดมสักลมไปที่ชายผานั่นเร็วไม่ก บ, บุญคาไม่ต้องเ็นหวงผมขณะจิตหนึ่งดารินวราริทยืนตะลึงแต่แล้วก็ถูกบุญคำจับข้อมือ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 ไปถูกลำตัวเบี่ยงออกทางแถบซ้ายส่วนหัวของมันมดตลบบิดตะแคงทะายป่าแถบหนึ่งลู่ร่าไปส่วนยาวของลำตัวที่เหลือเถือกไถาวาดวัดขึ้นมาเรากำมวลคลื่นและเห็นตีนยุ่มย่ามที่ตะกายอยู่ในอากาศและท้องเขามันฝ้าตูมสนมันลงบนพื้นตรงหน้าต้นพริกที่พรานใหญ่ซุ่มกำบังตัวอยู่ความสะเทือนของแผ่นดิน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 ไม่สามารถจะคันเนได้ถูกว่าด้านไหนเป็นส่วนหัวหรือหางเพราะความใหญ่โตและระยะที่ใกล้ชิดเกินไปอยากเนินของดองสัก์เบื้องบนก็ได้ยินเสียงปืนที่กระ น, นํำยิงลงมาสนั่นวันไหวไม่ขาดระยะทั้งสองคนคงจะช่วยกันซันโบอย่างแข่งกะเวลาและคนไปกระเสียงร้องตะโกนฟังไม่ได้สับอยู่เช่นนั้นแพินกัดริมฝีปากแน่นคุ้มตัวกระชักปืนมั่นอยู่ริมก้อนหิน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 อย่างน้อยที่สุดนัดนั้นก็บรรดาลผลให้เกิดขึ้นบ้างและ่ะลําตัวที่เห็นเลือยล้อมเป็นวงกลมอยู่กระชากวูบด้วยอาการกระตุกไปเบื้องหน้าโดยแรงมวลฝุ่นตลบอบอบวนไปหมดริบตาต่อมามันก็เคลื่อนสวนทางถอยหลังแล้วฟัดฟาบวูบว่าคลายตัวห่างออกไปจากการล้อมวนอยู่รอบโขดหินครั้นแล้วหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเป็นเมื่อเอยวูบขึ้นไปเบื้องบน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 บางขนา ก, ก็เคลื่อนหน่าบางขนา ก, ก็ถอยหลังเหมือนกระดูนรถไฟที่รอการสับปเปลี่ยนรางทุกครั้งที่มันขยับขยื้อนตัวเสียงแผ่นดินลั่นกราวและร้ายที่สุดตรงที่เขาไม่สามารถจะคันเนได้เลยว่าด้านไหนเป็นส่วนหัวหรือหางดารินผู้อยู่เบื้องบนในขณะ น, นี้ก็คงจะตกอยู่ในฐานะเดียวกันกับเขานั่นเอง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 ยิงสาวรีบร้อนซึจนกระทั่งกระสุนพลัดหล่นจากมือตกกระจัดกระจายเรี่ยราดอยู่กับพื้นทําให้ต้องร้องลั่นออกมาอย่างขัดใจยิ่งรีบเท่าใดก็ยิ่งดูเหมือนจะทําให้ช้าลงเท่านั้นทางาปใจที่ร้อนราวกับไฟเผาปืนสั้นของคุณรับทิน้นปืนสั้นหล่อนล่ำละลักเป็นอยู่เร่าเร้าเมื่อแลเห็นศีรษอันใหญ่โตซึ่งเบนสะบัดไปด้วยอํานาจกระสุนชุดหลังของหล่อน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 อันหนักหน่วงของปืนที่เกินกำลังข้อมือของหลอนทำให้ไม่สามารถจะส่งกระสุนเข้าไปยังจุดสาคัญได้มัจุระที่มาในรูปกายของตะขาบดงเพียงแต่สะดุ้งในทุกครั้งที่กระสุนแลลนทะลวงเข้าไปฝังแล้วก็สส่หัวพรวดพลาดไปมาดวงตาทั้งสองลุกแดงฉานเขี้ยก็อาสยายกว้างออกอย่างเกลี้ยกล่อดุร้ายชะงัดงันไปช่วยเสียววินาที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 ลักษณะเป็นวงรีรูปไข่แต่มีรอยแยกของผนังหินห่างสองซอกเป็นแนวคดเคี้ยวขึ้นไปเบื้องสูงแล้วก็ปรากฏรอยโวขนาดใหญ่เหมือนจะเป็นช่องระบายอากาศอยู่เบื้องบนอีกตอนหนึ่ง่อย่างไรก็ตามภายหลังจากคำนวณด้วยสายตาแล้วก็พอจะเชื่อได้ว่าส่วนหัวอันใหญ่โตมโหูลานของตะขับยักษ์ไม่อา จ, จมุดลอดรอยโวเหล่านั้นเข้ามาได้เสียงสั่นของบุญคำถามซ้ำ ม, มา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 ปืนของผมอยู่ไหนทรงกระบอกนั้นมาดีกว่าเขากระซิบฉันฉันทำพลัดหลุดมือตอนที่คุณกระชากฉันให้หนีเมื่อตะกี้น้ำเสียงของหลอนเหมือนจะร้องไห้ระพินไพรวันความหวังดับวูบลงในบัตรนี้กระสุนปืนกระบอกนี้ของคุณหญิงเหลืออยู่กี่นะัดหญิงสาวคลำคนที่เข็มขัดปืนสั้นซึ่งติดเอวอยู่ยางรีบร้อนแล้วกระซิบมา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 ปร่องนูนก็อีกช่องหนึ่งที่จะดูดควันขึ้นไปแนะปรองครับว่าผมจะไม่บูชายันตัวเองหรอกก้นไม้สดออกอย่างนั้นน่ะมันจะติดไฟได้ยังไงแทนคําตอบระพินจุดซิปโป้ขึ้นลนต่อขั้กระชิ้นฟืนเล็กๆที่เกียนออกจากท่อนใหญ่วางกายกันหลวมๆเหล่านั้นใจเดียวก็ลุกติดเป็นเปลวขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเอาฟืนท่อนใหญ่กายพาดเข้าไป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 มันทอดขวางลาตัวอยู่หลังก้อนหินใหญ่ที่เราหลบอยู่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเข้ามาในเนี้ล้อมปากโพรงนี่ไว้หันหัวมาทางปากโพรงโดยบังก้อนหินไว้โผล่ไปเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นแหละครับดารินถอนใจเึื่อแล๋ยวจะทำยังไงกันดีเนี่ยก็ถ้าเผื่อมันไม่ยอมไปคอยดักจ้องคุ้มเชิงอยู่นี่ไม่แปลว่าเราถูกปิดล้อมจนมุมอยู่ในโพรงนี่หรอ นั่นนะเอาไว้คอยแก้ปัญหาทีหลังสำหรับขณะ น, นี้เราได้พักนอนกันปลอดภัยแล้วอย่างน้อยก็ตลอดทั้งคืนนี่แหละครับไอ้ตัวแรกมันจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ท่าที่เห็นกลางสุดท้ายมันพลิกหงายท้องไม่กระดิกกระเดียไปแล้วเจ้าตัวนี้ทรหดที่สุดแต่อะไรก็ไม่สาคัญเท่ากับว่าเรายิงไม่ถูกจุดสาคัญของมันเลยหรื อ, ออาจถูกบ้าง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 ระยะใกล้ๆแค่นี้เองถ้างั้นฉันไปด้วยคนรบพินชะ ง, งักนิดหนึ่งแล้วพยักหน้าเอามือแตะแขนหล่อนดีเหมือนกันครับเราไม่ควรแยกทางกันเลยแม้แต่ก้าวเดียวในเวลาเช่นนี้บุญคำงุดลอดออกจากปากโพรงล่วงหน้านำไปก่อนเป็นคนแรกต่อมาก็เป็นดารินแะระพินติดตามออกมาเป็นคนหลังสุดทั้งสามถือไฟฉายประจาตัวไว้ในมือ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 ผ้าซับเพื่อนประจำเดือนยังอยู่หรือเปล่าบุญคำํำยังอยู่นายอยู่นี่งั้นเอาออกมารูดท า, ากับปลายไม้นี่เร็วเขา้านายเราจะทําอะไรเอาเถอะหน้าไม่ต้องถามบุญคําขยับตัวคลุกคลักอยู่ในเงามืดอึดใจหนึง่งเขารู้สึกว่าแคจับปลายไม้ด้านที่เสี้ยมแหลมที่เขายื่นส่งไปให้ใช้อะไรรูดทาอยู่อึดใจหนึง่งแล้วกระซิบบอกมาเรียบร้อยแล้วนาย จอมพรานกัดริมฝีปากแน่น ค, ค, ค่อยๆคืบคลานตัวเองออกไปจากปากโครงอย่างระมัดระวังเรียมพร้อมทุกขณะจิตบุญคําไม่ยอมห่างเจ้านายย่องตามออกมาต้อยต่อยชักมีดเดินตาของแกออกมากระชับแน่นไว้ในมือไม่ว่ารพินจะโบกมือธำมาการไล่ให้แกกลบเข้าไปในที่ซ่อนตัวอย่างไรตาพรานเท่าก็ไม่ยอมเป็นตายยังไงบุญคําก็ทิ้งนายไม่ได้หรอก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 กระสาาสัมผัสอันคุ้นกับอันตรายก็ส่งสัญญาณให้ทราบอย่างกระทันหันเสียงพลุบดังขึ้นอย่างจู่โจมเบื้องหลังมันทําลายความเงียบขึ้นอย่างจู่โจมที่สุดปัจจุบันทันด่วนจนแทบจะกระตัวไม่ทันจอม Than หันขวบเงาอันดํามืดเป็นรูปปีกที่แผ่กว้างก็ทะหลันเข้าถึงตัวมันพยานมาจากซุูม้ห่างออกไปทางเบื้องหลังนั่นเองเขาย่อตัวลงต่ํา รียวแรงนี้เท่าไรก็ทุ่มลงไปในหอกไม้ที่ถือกระชับอยู่ในมือโดยวิธีเสือกสวนขึ้นไปเต็มเหนี่ยวมันปากส่วนเข้าไปกลางอกของเจ้าสิ่งนั้นอย่างถนัดถนีแล้วหักสะบัน้นด้วยแรงที่มันถาถมเข้าใส่ร่างของเขาเองและบุญคำํำไงหลังก้นกระแทกลงกับพื้นกลิ้งไปอย่างไม่เต็มท่าพร้อมกัดน้ำบกกากดเสียงร้องกรี๊ดหลอนสถานไปทางหน้าผา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 นั่นแหละครับนายหญิงเสียงมันร้องตอนที่ถูกหอกโมฆะศักดิ์ของพรานใหญ่เมตะกี้นี่ละ่ะตาพรานเท่าเต้นแรงเต้นการ้องบอกแทนมาอีกอย่างดีใจเหลือที่จะกล่าวระพินหันไปถามกระพินซ้ำอีกหลายคำอย่างจับต้นชนปลายไม่ถูกภายหลังยืนสงบนิ่งอยู่ครู่เขาก็ถอนหายใจเขอ้พยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติกล่าวชวนหล่อนขึ้นว่ากลับเข้าไปนั่งพักกันในถ้าของเราก่อนเถอะครับ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 ร่อหน้าดำๆออกมานั่นตองห้ามไม้ที่ทอดลงมาเหนือพุ่มเถาวันซ้ายมือนายิงมือเที่ยงเที่ยงสอยลงมาทีเถอะพอให้ล่อตายไปได้อีกมือดารินตาเฉียบไวพอใช้ขมิ้นจ้องอยู่อึดใจเดียวก็เลยเห็นเต้าไมายอันรับล่อนั้นตามการสกิดบอกของตาพรานเท่าหล่นขยับไรเฟิลแต่รพินจับมือไวกระสุนไรเฟิลทุกนัด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 ปัญหาการขาดแคลนน้ำหมดสิ้นไปปัญหาใหม่ก็เข้ามาแทนที่ฝนย่อมเป็นอุปสรรคสกัดกัน้นการเดินทางให้ล่าออกไปอีกและก็รบร่องรอยของชัยยันกมาเรียเสียหมดสิน้นยิ่งกว่านั้นสภาพอันชื้นแฉะช่ชำนองของดวงดิบจะทําให้ลําบากต่อการเดินและการดํารงชีพเป็นอย่างยิงย่งกระพินขอใบบุรีใบตองแห้งจากบุญคํามามวนช้าๆในความเงียบ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 ด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมเป็นงานเป็นการว่านี่ถ้าฝนตกอยู่อย่างนี้ไปจนถึงค่ำเราจะทำยังไงกันดีก็เห็นจะต้องหยุดค้างคืนกันอยู่ตรงนี้หะครับไม่มีทางจะคืบหน้าต่อไปได้หรอกเป็นเสียงตอบเรียบเรียบจากพรานไพรซึ่งนำความรู้สึกได้ดีพอๆกันฝน <s hr ie> ตกอย่างนี้มันดีซะอีกนะครับจะได้ไม่เหนื่อยนะักแต่ยิ่งหยุดนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเวลาไปเท่านั้นนะ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 มาเรียมองดูตามหลังเขาไปครู่เดียวชัยยันก็รับร่างไปทางโค้งซึ่งมีป่าบังอยู่แม่สาวเอามือทั้งสองอันเปียชื้นเงือชื้นลูบกับก้นกลางเกงเดินตาจนแห้งสนิทและฉวยไรเฟินประจำตัวขึ้นแอบซุ่มเงียบกริบอยู่หลังโคนต้นไม้ที่เดินตาคมวาวจ้องสำรวจสวนทางไปเบื้องหลังรอคอยสั่มสัเนียงหรือภาพอะไรที่จะปรากฏขึ้นกับสายตาแน่ละ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 เสียงนั้นดังขึ้นครั้งเดียวก็กลืนหายไปในความเงียบอันน่าคิด